รุ่นังที่ครบค่าเรากลับมาพบกันอีกในรายการสันสนีสนทนาช่วงเวลาของพระอาจารย์ไพบูลอภิปุลโนนะคะก่อนหน้านี้เป็นช่วงของพระมาร์ชาคาวโรค่ะซึ่งท่านไพบูลนั้นท่านก็จำพรรษายอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกหนองหารอุดรธานีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนปัจจุบันนี้เนี่ยการสื่อสารทําให้ใกล้ชิดกันท่านอยู่ที่บ้านก็คล้ายๆกับท่านได้ไปที่วัดหรือว่าคล้ายๆกับได้ไป ร่วมกันในสถานที่ที่เขามีกิจกรรมทางด้านธรรมะเหมือนกันถ้าหากว่าฟังรายการนี้นะคะและตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะพบกับพระอาจารย์ไพบูริณพิบุตโนแล้วน้อมสักการณ์ค่ะท่านคะอจะรย์พรค่ <c oughs> ะเมื่อวานนี้ได้กลับเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องการถูกจองจําอำแล้วท่านก็บอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเหมือนกับถูกจองจําเหมือนกันแถมยังจองจําอยู่ในที่จองจําที่หนักหน่หนวงที่สุดรึเปล่าคะ ยังดีกว่าพวกสัตว์เดรัจฉานอยู่หน่อยนึงอยู่ในสังสารวัตนี้ก็ยังดีกว่าพวกเขามันดีกว่ายังไงเหรอคะท่านคะดีกว่าตรงที่ว่าในสังในพวกกเาเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยพวกเนี้ยไม่มีการประพฤติชอบไม่มีการประพฤติ ธ, ธรรมไม่มีการสร้างบุญศนไม่มีการบําเพ็ญบุญแต่มนุษย์มีนะเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเราควักทําบุญได้เรามีปากเราพูดดีๆได้ไม่เหมือนหมาเห่าได้อย่างเดียวค่ะ เรามีกายมือแขนเรายังทําความเปี่ยนได้ค่ ะ, ะแต่ในสัตว์ประเภทนั้นเนี่ยมีแต่การที่สัตว์ใหญ่เกี่ยวกินสัตว์เล็กสัตว์ที่มีกําลังมากกว่ากันแกล้งสัตว์ที่มีกําลังน้อยกว่านะเพราะว่ามันเป็นปกติของสัตว์ประเภทนั้นค่ะอพอจะใจชื้นอยู่ได้ว่ายังไงเสียไม่ได้เป็นคนคุกที่น่ากลัวที่สุดคือถูกจองจําอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมีพวกที่แย่กว่าเราเอออย่างคน<ะ> ค่ะคือท่านบอกว่ากําเนิดเดราชานเปรตวิสัยผู้นี้ทำบุญไม่ได้ดิฉันสงสัยเลยอืบางคนนี่เขารักสุนัขมากใช่เข้าสุนัขไปทํากุศลในความเชื่อของเขานะคะบางคนเนี่ยเวลาจะทําบุญเนี่ยอาจจะให้สุนัขของตัวเองบอกอ๋ออธิษฐานซะนะชาติหน้าจ้เกิดเป็นคนมาอยู่ด้วยกันอะนะคะดิฉันเพิ่งเห็นรูปเพื่อนโชว์ให้ดูในบีบีอะค่ะเป็นสุนัขนั่งทําท่าเหมือนคนนั่งสมาธิเลรอคะท่านคะเพื่อนดิฉันก็บอกว่านี่ไงสุนัขปฏิบัติธรรม แต่้ใจว่าคงคงจะเป็นการแต่งภาพอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบเลยอยากกล่าวเรียนถามท่านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเดรัจฉานกินความกว้างแค่ไหนสุนัขแสนรู้ของเราเนี่ยใช่ด้วยหรือเปล่าคะใช่ใช่แน่นอนแล้วคะพวกสุนัขแพะแกะไก่สุนัขสุกรช้างโคม้าลาพวกนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานหมดโอ้แล้วพวกนี้ทาบุญไม่ได้หรอะท่านคะ เไม่ถึงทำในสิ่งที่ทําแล้วมันเป็นกุศลที่จะทําให้เขาไม่ต้องเป็นสุนัขอีกต่อไปไงค่ะตรงนี้โดยพุทธวจนะเนี่ยผู้ทาจาบอกว่าเป็นธรรมดาของสัตว์ประเภทนั้นที่จะไม่มีการทําถ้ามีการทําแสดงว่าอันนี้พิเศษมากอย่างเช่นว่าเราอาจจะเคยเห็นสุนัขในอย่างตัวอย่างที่อาตมาเคยยกขึ้นในรายการคือมีสุนัขตัวหนึ่งที่วัดป่าดอนไหนโศกตอนนี้มันตายไปแล้วมันชื่อแบกแล้วมันก็เอามันข้าวกระดูกไก่มา2ชิ้น ชิ้นหึมีเนื้อติดมากหน่อยชิ้นหนึ่งมีเนื้อติ ด, น, น, น, น, ตดน้อยหน่อยมันก็วางทั้งสองชิ้นลงแล้วก็คาบชิ้นที่มีเนื้อติดมากหน่อยมาให้อัตมาอืถามว่าเขาก็มีการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเหมือนกันนี่อรอไหมอ๋อท่านเข้าใจว่าคงคิดว่าน้องแบ๊กในงคงคิดว่าจะมาแบ่งให้ท่านเนี่ยก็อย่างนั้นเหมือนกันอ๋อค่ะเพราะนั้นถามว่าเขาจะได้บุญไหมก็ต้องได้แน่นอนถ้าจิตเขาเป็นกุศลแต่มันไม่เป็นเรื่องธรรมดาที่ สัตว์เดรัชานเนี่ยถามว่าวันหนึ่งจิตเขาจะเป็นอย่างนี้สักกี่ครั้งโอน้อยมากปีหนึ่งอาจจะไม่มีเลยอาจจะมีแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งในชีวิตเขานะถ้าเขามีถูกฝึกมาซึ่งซึ่งมันเป็นการยากมันเป็นการที่ไม่ใช่เรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้สาหรับไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้ง่ายๆสาหรับสัตว์เดรัชาที่จะมีลักษณะวิสัยอย่างนั้น ค่ะ<ม>ดิฉันเองไม่แน่ใจว่าเคยกลับเรียนถามท่านในคําถามต่อไปนี้หรือยังถ้าถามซ้ําแล้วก็คงจะนานจนลืมก็ขอความเมตตาให้ท่านช่วยตอบอีกแล้วกันนะคะดิฉันมีเพื่อนก็ ม, มีลูกค่ะเขาก็เลี้ยงสุนัขเนี่ยแล้วเสร็จแล้วสุนัขแสนรักก็เกิดตายพอตายปุ๊บเนี่ยเขาเสียใจมากมเขาก็อาราธนาพระคุณเจ้าเลยนะคะมาทําพิธีมีการทอดผ้าบังสุกุลบังสุเกินเหมือนกับคนเลยไปเลยอ่าทําแบบนี้เนี่ย สุนัขได้บุญอย่างไรแล้วานคะ อ, อ๋อสุนัขได้บุญตรงที่เราอุทิศเขาใหออ้อย่างสมมติคนเนี่ยคนตายไปนะเราทําทักษินาทานอุทิศบุคคลที่ตายหมายความว่าเราถวายทานในสมณพราหมณ์ใช่ไหมเราถวายทานเสร็จแล้วเนี่ยบุญกุศลที่เกิดขึ้นอะเราอุทิศให้แก่บุคคลที่ร่วงลับไปแล้วตรงนี้เรียกว่าการทําทักษีนาทานบุคคลแบบไหนควรรับทักสีนาทานเอาก็สมณในสักกบุตรเนี่ยเป็นบุคคล ควรรับทักษิณาานนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องได้รับแน่ถ้ายังอยู่ในระบบของ ส, งสารารรมัตอยู่คแต่ถ้าจะหมายรวมกันไปถ้าเกิดการพวกเราเนี่ยเกิดตกล่วงมไม่สามารถเป็นมนุษย์ได้ต้องไปเป็นเดรัจฉานเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนแล้วก็มีโอกาสใดบ้างที่สุ่มเสี่ยง จะต้องพลาดจากความเป็นมนุษย์ละค่ะก็คือการผิดศีลทั้งหมด น, นถ้าคุณผิดศีลอยู่ บ, บอ่อยบ่อผิดคือปกติของมนุษย์เนี่ยเขาไม่ฆ่ากันเขาไม่ลักทรัพย์กันเขาไม่พูดโกหกกันเขาไม่ดื่มสุรามีอะไกันเขาไม่ประพฤติผิดในกามกันแต่ถ้าคุณไม่ใช่มนุษย์ปกตินะเป็นมนุษย์แบบแย่ๆหน่อยใช่ไหมทำเรื่องที่แย่ๆเป็นปกตินั่นไปแน่นอนอย่างพูดโกหกเป็นปกติพูดเพ้อเจ้อเป็นปกติพูดหยาบเป็นปกติ อย่างเงี้ยที่เรารณรงค์ในเรื่องสัมมาวาจาเนี่ยอคนที่เซ็นเขาเรียกใบโพไปแล้วน ะ, ะต้องอย่าทําเป็นปกตินะต้องทําเรื่องดีๆให้เป็นปกติเราถึงจะเป็นมนุษย์ดีๆอ่าพวกเนี้ยพวกที่ทําเป็นปกติความไม่ดีเนะี่ยทําความไม่ดีเป็นปกตินี่เสี่ยงมากอืมเสี่ยงต่อการไปนรกกาเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวแยกกว่านั้นก็มีเป็นสัตว์นรกอย่างเงี้ยอ้อแยกขคือ ในบรรดาที่ไม่ใช่มนุษย์ต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยยังมีลําดับขั้นที่แย่ๆๆๆมากขึ้นอย่างคนอยู่ในคุกเนี่ย ค, คนคุกเนี่ยนะคุณยมติว๋วก็จะมีหลายประเภทใช่ไหม ค, คนติดคุกแบบติดคุกแบบแน่นเลยไม่ไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันก็มี ค, คนคนักโทษน่ะคนติดคุกแบบที่มาช่วยศสตีทํางานบัญชีทํางานอะไรก็มี ค, คนติดคุกแบบมาช่วยศสตีทําความสะอาดล้างท่อก็มี นะแต่ดับดีกว่านั้นก็ยังมีคนทํางานเอกสารคนทําอยู่ในห้องสมุดก็มีก็คนคุกเหมือนกันแต่มีหลายระดับออืก็เช่นเดียวกันถ้าตกล่วงไม่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็มีอีกหลายระดับแต่เราไม่ต้องไปทําความรู้ว่าระดับไหนเพื่อกะเกงว่าเราจะก้าวไปถึงขนาดไหนเราเราต้องพยายามว่าเราอย่าได้ตกลงไปเลยแม้แต่เดียวอยู่นอกรู้ว่าดีกว่าท่ามาจะบอกให้นะคบเพราะฉะนั้นท่านท่านกำลังบอกว่าขอให้รักษาที่ศีลหให้ดี ใช่พอถ้าทําบ่อยๆเป็นแน่มีความ<ต>เสี่ยงสูงมากาในเมื่อท่านก็ได้กล่าวเข้ามาถึงในเรื่องของการพูดแล้วไหนๆอยู่ในห่วงเวลาที่ท่านเองก็ประวรณาจะทําตัวเป็นทูตวัฒนธรรมทางด้านพูดดีเขาไม่ได้ตั้งเป็นการส่วนตัวนะคะเขาตั้งให้คนไทยทั้งประเทศดิฉันก็เมารวมไปเลยว่าตัวเองอยู่ในประเทศคนไทยทั้งประเทศและขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เห็นคุณค่าถ้าชวนให้คนพูดดีเนี่ย คนชวนได้อะไรบ้างล่ะคะเป็นสัตว์บุรุษยิ่งกว่าสัตว์บุรุษค่ะคือเราตัวเองเราเป็นสัตบุรุษคนดีใช่ไหมเราทําดีแล้วนี่เราชวนคนอื่นทําความดีเนี่ยพปริชา บ, บอกว่าเป็นสัตว์บุรุษยิ่งกว่าสัตว์บุรุษอ๋อชวนคนอื่นทําดีเป็นสัตว์บุรุษยิ่งกว่าวสัตว์บุรุษสัตว์บุรุษพูดถึงภาษาไทยเนี่ยน่ากลัวนะคะเพรไม่ใช่เขียนให้เห็นเป็นภาษาเขียนเนี่ย พอได้ยินคําว่าสารเราก็ตกใจแล้วกำลังจะตกล่วงไปเป็นพบภูมิอื่นแล้วที่ไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าพอพูดยาวๆสัตว์บรุษแปลว่าคนดีนะคะคนดีคนดีสเสือไม่หางอากาศต่อตาสัตว์บรุษแล้วว่าคนดีถ้าอ่านถูกๆก็จะอ่านว่าสัตว์บรุษนะนะบางคนจะจ่าแว่าสัตว์ตบบรุษเพื่อที่จะแยกแยะว่าไม่ใช่สัตวะแต่เป็นสัตต์อย่างไงค่ะแต่ถ้าอ่านสัตต์นี่ดิฉันพอมีความรู้ใช่หรือเปล่าคะว่าจะแปลว่าเจ็ดคนอ่าก็จะไม่ ถูกต้องถูกต้อ ง, องคุณคุณติวโยมติ๋วว่าใจถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกลัวคําว่าสัตว์ถ้าต่อด้วยบุรุษนะคะจงเป็นสัตบุรุษใช่และจงเป็นสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษคือการบอกทําให้คนอื่นชวนให้คนอื่นพูดสัมมามวาจาใช่ส่วนใหญ่คนจะเป็นอย่างนี้คุณโยมติว๋วตัวเองไม่ทําหรอกแต่บอกคนอื่นทำดิฉันก็เคยเป็นแั้นเหมือนกันนะคะ <c oughs> คือตัวเองยังด่าเขาอยู่แต่บอกคนอื่นว่าอย่าด่าสิอย่าพูดหยาบสินี่นะฉันอุตส่าห ก็ขึ้นกอไกลกมอม้าแล้วนะในเมืองนะแต่ว่าบอกให้กลณหนึ่งพูดสุภาพหน่อยเงี้ยเลยบางคนก็เลยบอกว่าพูดสุภาพพูดกรูกับมึงเด็กๆวัยรุ่นก็จะเป็นกันนะคะกาบอกว่านี่ไงไม่ใช่คําหยาบนะมีครวบกล้ามด้วยนะใช่ใช่ค่ะงั้นเรามารณรงค์ให้คนพูดสัมมาวาจาโดยในส่วนของการเขียนใบโพขออธิบายอีกนิดนึงนะคะว่าไม่ได้เป็นการผูกมัดจนเกินไปเพียงแต่ว่าให้ท่านศึกษาว่าสัมมาวาจา ที่พระพุทธอง์ตรัสไว้เนี่ยมีสี่องค์ประกอบคือไม่พูดปดไม่พูดให้แตกแยกอมไม่พูดคําหยาบแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อสรุปสุดท้ายก็เพียงสัญญาว่าจะพยายามทําอืำนะคะแล้วระหว่างทางเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิมันจะเตือนเราเสมอถ้าเราเหมือนกระบอกกับตัวเองว่าจะพยายามทำใช่ไหคะก็ค่อยเป็นค่อยไปรณรงค์กันเถอคะค่ะ 8ล้างสี่แสนชื่อถวายพระเจ้าอยู่หัวคลิกไปที่ชอบพูด chob ขออภัยค่ะพูดชอบดิฉันพูดกลับกัน <c oughs> Facebook นะคะ pwodshob หรือไปที่ world wide web t betai bethai o r g ค่ะท่านไปบูลเรามาอขออภัยค่ะดิฉันจะมากราบนั้งส ก, กันกราบ <c oughs> เรียนสารท่านต่อ เมื่อสักครู่นี้ก็เวลาที่เราจะพูดถ้าเรามีเขาเรียกวความเพียรตั้งเอาไว้ว่าอด่าคนใช่ไหมต่อไปนี้แหละฉันจะเลิกด่าละเวลามันคันปากมาเมื่อไหร่นะคุณโยมติวอ่ะหยุดไว้เนี่ยอาการที่เรามีสติตรงนั้นนะ่ยคือสัมมาสติเกิดขึ้นทันทีค่ะ่าแล้ว ก, ก็การที่เราตั้งจิตไว้ในการที่เราจะละความเพียรตรงเนี้ยอันนี้เป็นศีลและเป็นเจตนาในการละ เว้นจากการที่จะพูดยาพูดเพื่อเจิดพูดปดพูดสอดเสียดพวกนี้อันนี้ก็คือตั้งจิตแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทําหรือทํายังไม่ได้หรือยังไงก็ให้ขอให้ตั้งไว้ก่อนขอให้เพียงพยายามไว้ก่อนขอให้มีเจตนาในอย่างนั้นไว้ก่อนเพราะว่ามีเจตนาเมื่อไหร่นะคุณโยมติ๋วเราเกิดบุญทันทีค่ะดิฉันเนี่ยตั้งแต่ที่ได้มาศึกษาหาความรู้เรื่องพระธรรมของพระพุทธองค์โดยเฉพาะในเรื่องที่ท่านไปบูรณ์ได้ให้ความรู้เรื่องของฉัน เรื่องของชันทะใช่ไหมคะใช่ใชเรื่องของความพอใจในการที่จะทำในสิ่งที่ดีเนี่ยมันทำให้ได้ประโยชน์ในการที่เราตั้งใจจะทำดีใช่ไหมคะอืมแล้วก็พยายามที่จะทำดี ใ, ให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็โอกาสเกิดผลสำเร็จมีมากกว่าสมัยก่อนที่ไม่มีความตั้งใจค่ะท่านค่ะอืมคือโอกาสเกิดความสำเร็จนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อัฟันธงเลยค่ะอ่าคือสาเร็จหรือไม่สเร็จเนี่ย ไม่ต้องห่วงเลยคือมันสําเร็จแน่นอนถ้าเราตั้งใจไว้คือบางคนบอกว่าเออฉันไม่อยากตั้งเจตนาหรอกเพราะว่ากลัวทําไม่ได้โอ้ยไม่ต้องเป็นไร <c oughs> เพราะว่าเมื่อไร่เราตั้งเจตนาไว้นะเราให้เราได้บุญก่อนทําได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งค่ะท่านคะดังนั้นในเวลาที่เหลืออยู่เนี้ยดี่ฉันคิดว่าสิ่งที่ท่านได้สอนมาเนี่ยมีประโยชน์มาก แล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปถ้าหากท่านทั้งหลายได้รู้ถึงเรื่องของการตั้งเจตนาว่าจะทำให้เกิดความสำเร็จได้อย่างไรรบกวนท่านช่วยเข้าไปในรายละเอียดนิดนึงได้ไหมคะจ้ะก็คือแค่ว่าเราตั้งความเพียรเอาไว้นะความพอใจนะความขมักขม้นแล้วก็ความคือกระตุ้นจิตเราเนี่ยให้อต่อไปนี้ฉันจะทำอย่างนี้คือเรียกว่าอธิษฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอธิษฐาน อธิษฐานเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าความตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะความตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งความตั้งใจนี้อยู่เมื่อไร่เนี่ยสําเร็จเมื่อนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาที่เราเจอปัญหานะคุณโยมติวค่ะปัญหาหรือว่ากิเลสหรือว่าเครื่องทดสอบหรือว่าใครจะเรียกว่ามานหรือใครจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลามากระทบจิตเราเนี่ยตึ้มเนี่ยเรา เราเกิดความท้อถอยบ้างเกิดความเหนื่อยบ้างเกิดความท้อแท้บ้างอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ที่เราเกิดสภาวะจิตอย่างนั้นนะไอ้ความตั้งใจของเราเนี่ยจิตอธิษฐานของเราเนี่ยมันหายไปแล้วนะค่ะพอเราหายไปอย่างนั้นเนี่ยเราก็โอ้ไม่ทําละเผื่อละพอละเลิกละนี่มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้นเมื่อไหร่เราละความท้อแท้เราละสิ่งที่มากวนจิตเราเราละตอนนั้นไม่สนใจ เราสนใจแต่เรื่องจิตของเราเราสนใจแต่เรื่องการจะทํายังไงให้มันสําเร็จได้เนี่ยทําทันทีเพราะฉะั้นปัญหาของธรรมะนี่มันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันทําไม่ได้มันอยู่ที่คนไม่ทํา <c oughs> อ่าทํานิดๆหน่อยๆแล้วก็โอ้พอละเลิกละฉันเซนละฉันพูดได้วันหนึ่งก็พอละไม่ได้ <c oughs> อ่าเราต้องตั้งจิตอย่างนี้ไว้ตลอดเราตั้งจิตวินาทีนั้นเนี่ยเราก็ได้บุญเดียวนั้นเรานั่งตั้งจิตอีกสองวินาทีเราก็ทําได้แค่สองวินาทีก็ดีแล้ว นะให้ทําไปเรื่อยๆให้ทําต่อเนื่องให้ทําอย่างติดต่ออย่าทอแท่อย่าทอดถอ ย, ออยให้ทําให้ได้บังกอรเตอรค่ะและท่านคฎหมายความว่าไม่ใช่แค่เรื่องการตั้งใจที่จะพูดชอบพูดสมมาวาจาเท่านั้นออืแต่รวมไปถึงทุกเรื่องด้วยทุกเรื่องเลยค่ะต้องมีความตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทําในสิ่งนั้นใช่เท่ากับมีอธิษฐานและมีอธิษฐานเมื่อไหร่ท่านบอกว่าสําเร็จเมื่อนั้นใช่ความสําเร็จมันเกิดให้เห็นีขึ้นนะมาเลยอค่ะแล้วก็ อธิษฐานถ้ามันยังไม่สำเร็จอธิษฐานเรื่องเดิมทุกวันอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็ใช่ตั้งจิตไว้เรื่องเดิมทุกวันทุกวันเราก็ไม่หนีไปจากเรื่องนี้เลยค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้ลองไปใช้ก็แล้วกันในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตที่ท่านต้องการส่วนถ้าท่านเห็นดีกับเรื่องพูดสัมมาวาจานะคะพูดชอบเนี่ยขอให้ท่านเบื้องต้ น, นช่วยไปคลิกเข้าไปในพูดชอบเป็น Facebook นะคะ PWD shob แล้วก็ลงนามตัวเองคลิกเข้าไปใบไม้มันจะไปติดอยู่บนต้นไม้จะรวมชื่อให้ได้ 8.4 ล้านแสนชื่อถวายในหลวงในอีก80กวันข้างหน้านี้นะคะส่วนเว็บไซต์ก็ bethai.org b, b e t h a i ที่จะไม่ประกาศไม่ได้ก็คือของท่านไปบูลนะนะคะยังรับคำถามอยู่ใช่ไหมคะอ่าร <I love> <laughs> <te> ับอยู่ทียรธรรมะคอมสล่งศ นะคะท่านก็จะนำคำถามมาตอบในรายการนี้นักมาตการขอพระคุณท่านนะคะจรฟานค่ะส่วนท่านที่จะติดต่อมาในรายการก็022690006ขอหนังสือที่ท่านอาจารย์คลึกฤทธิ์ให้มาก็ได้นะคะหนังสือพุทธวจนะหรือว่าจะขอแผ่นซีดีที่โยมมดได้ทำมาแจกก็ได้วันนี้ลากันไปก่อนนะคะพุทธวจสวัสดีจากสันสนีนาคพง์ค่ะ